จากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเศษธธรษฐกิจหมูอ้วนมุติกะชาดกโดยสมณทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่6พฤษภาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาะบัดนี้ค่ะ วันนี้เราลองมาฟังชาดกสั้นๆสักเรื่องหนึ่งชื่อว่ามูนิกะชาดกก็เริ่มเรื่องพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันได้ตรัสถามภิกษุรูปหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุได้ยินมาว่าเธอเป็นผู้กวนกระวายใจจะศึกจริงหรือแมมขึ้นต้นมาก็นะ ถามภิกษุเลยนะไม่ต้องอาลำพบบทอะไรอื่นถามว่าจะศึกจริงหรือจริงพระเจ้าค้าก็แล้วเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะได้รับการปลอบโยนเอาอกเอาใจของเด็กหญิงอ้วนคนหนึ่งพระเจ้าค้าเอ๊ะยังไงเนี่ยหมายความว่าไงอย่างเงี้ยถ้าเราฟังเนี่ยหมายความว่าไง อ๋อคิดถึงลูกเหรอเอาฟังเรื่องต่อแล้วกันพ <laughs> ระาศาสดาทรงรับฟังเหตุคือเหตุผลแล้วอ่ะนะก็ทรงเตือนสติว่าดูก่อนภิกษุนางเด็กอ้วนนี้เคยกระทำความพินุธแก่เธอมาแล้วในอดีต <laughs> จนกระทั่งเธอต้องถึงแก่ความตายแม้บัดนี้ก็ยังจะให้เป็นเช่นนั้นอีกหรือ แล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตัดเล่าหมายความว่าไงยังดึกไม่ออกนะยังดึกไม่ออกน ะ, ะฟังต่อทั้งนั้นในอดีตการสมัยเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในกรงพารณาณสีณบ้านของกกดุมพีกกดุมพีก็คื อ, อคนมั่งคั่งร่ำรวย พ่อท่านจะแยกสองคำนี้ให้พวกเราฟังชัดๆเสมอๆก็คือกระดุมพีกับคำว่าเศรษฐีนะกระดุมพีนี่คือคนร่ำรวยแบบแบบโลกโลกทั่วๆไปนี่แหละนะอาจจะเอารัดเอาเปรียบหรืออาจจะเป็นปุถุชนแต่ว่าเขาล่ารวยเราก็เรียกว่าพวกกุดุมพีหรือกระดุมพีแต่ถ้าส่วนเศรษฐีเนี่ย พอท่านพยายามให้พวกเราเข้าใจว่าถ้าเป็นคนร่ำรวยที่มีความดีที่มีคุณธรรมมีความประเสริฐอยู่ด้วยเนี่ยเราจะเรียกว่าเศรษฐีนะ้าร่ำรวยนี่หมายถึงว่าทรัพย์สินเงินทองอะนะอ่าเพราะอย่างนั้นจริงๆแล้วถ้าเราไม่เอาว่ารวยทรัพย์สินเงินทองนะแสดงว่าจะต้องรวยคุณธรรมรวยความดี เรียกว่าเศรษฐีหรือเศษโถเนี่ยถ้าทั่วไปเนี่ยนะเขาเขาใช้เศรษฐีหมดแหละไม่มีใครก็ใช้กระดุมพีหรอกเพราะว่าคํานี้เขาแทบจะเลิกใช้กันมานานแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้อยู่คําเดียวเลยคนรวยก็เรียกว่าเศรษฐีหมดเศรษฐีหม ด, หมดนั่นเขาไม่มีแยกอแต่แต่นี้นะในเรื่องนี้ก็ก็พยายามรู้สึกว่าในภาษาโบราณเนี่ยหรือภาษา เก่าก่อนมาเขาค่อนข้างแยกมาแต่ตอนนี้คนหลังๆเนี่ยเลิกไปใช้คําว่าโกดุมทีนี่เองแล้วอีกอย่างก็คือมันเขียนยากอะ่ะกองไก่สาะอุแล้วก็ดอชดาสารอุมอมาคือคือมันเป็นอักษรหรือตัวที่เราไม่ค่อยจะใช้กันเท่าไหร่แล้วมันก็เขียนลําบากอยู่พอสมควรก็เลยค่อยๆเลือนถายไปเลยคนก็เลยไม่ค่อยใช้ แต่สมัยก่อนก็ใช้กันอยู่ณบ้านของกระดุมพีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นจํานวนมากแต่มีโคพี่น้องอยู่สองตัวโคตัวพี่ชื่อว่ามหาโลหิตหรือโลหิตตาเนี่ยนะมหาโลหิตโคตัวน้องชื่อว่าจุละโลหิตจุละนี่ก็แปลว่าเล็กแปลว่าน้อยจุระมหาก็แปลว่าใหญ่ ถ, ถ้าถือว่ า, อ, าอะไรอะโลหิตเนี่ยนะก็พี่ก็ชื่ออะไรโลหิตใหญ่น้องก็ชื่อโลหิตเล็กนะพูด ง, ง่ายๆอย่างนี้นะทั้งสองต้องถูกใช้งานแบกขนอยู่ในตระกูลกระดุมพีนั้นอยู่มาวันหนึ่งชาวเมืองคนหนึ่งได้มาสู่ขอเด็กหญิงจากตระกูลกระดุมพีนั้น เพื่อให้เป็นภรรยาแก่บุตรชายของตนทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีจิงกหนดวันวิวากันไว้แล้วต่างฝ่ายก็ตระเตรียมข้าวของก่อนถึงวันวิวาฝ่ายบิดามารดาของเด็กหญิงในตระกูลกระดุมพีนั้นสั่งให้จัดหาอาหารและยาคูยาคูคื อ, อคือข้าวต้มโดยทั่วทวไปเราพูดยันสั้นเราก็บอกว่าข้าวต้ม แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้าวต้มแบบอะไรอ่ะน้ำใสอ่ะข้าวต้มไม่ใช่น้ำใสข้าวต้มแบบเหลวๆดื่มได้เลยไม่ใช่ข้าวต้มแบบข้นๆโอโ้โหมีบางทีก็มีเหมือนกับเนื้อข้าวอยู่ด้วยนะหรือว่าข้นๆจะเป็นแป้งเปียกอะไรเงี้นไม่ใช่นะอันนี้เป็นแบบว่าดื่มได้สบายเลยเหมือนเหมือนกับน้ำข้าวนะข้าวต้มอันนี้เขาเรียกว่ายาคู นั่นเนี่ยก็สั่งให้จัดอาหารและยาคูเลี้ยงดูแก่สุกรชื่อว่ามูนิกะเป็นอย่างดีสุกรคือนึกว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้จะได้ไปให้ฟังเพลงผู้ใหญ่ลีสุกรนันไซคืออะไรเออไม่ฮะในเพลงเข า, าคืออะไร คือหมาน้อยนะแต่จริงๆแล้วหมูนะสุกรเป็นหมูนะไม่ใช่หมาน้อยเนี่ยให้ไปเลี้ยงดูสุกรชื่อว่ามุนิกะเป็นอย่างดีสภาพเช่นนี้เป็นที่พอใจแก่เป็นที่ไม่พอใจแกโคจูละโลหิตอย่างมากทั้งน้อยใจทั้งริษยาอดไม่ได้ที่จะกล่าวกับพี่ชายว่า กิจุระใดๆที่ต้องแบกขนในตระกูลนี้ล้วนอาศัยแรงของเราทั้งสองลากแบกไปแต่แล้วพวกเขาก็ให้แต่หญ้าแห้งๆและแบบแกลบแก่พวกเรากินส่วนเจ้าหมูอ้วนไม่ได้ทำการงานอะไรเลยพวกเขากลับปรมเปอร ม, มันด้วยข้าวต้มเป็นอย่างดีทำไมช่างลำเอียงอย่างนี้ล่ะพี่นะตอนนี้กัโคก็คือวัว น, นั่นเองก็ ถามโคพี่ชายนะว่าดูสิแหมเจ้าหมูอ้วนนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยวันวันวันหนึ่งก็อะไรพวกพวกคนรับใช้ในบ้านนี้เอาอาหารอย่างดีเลยนะทั้งอะไรทั้งยาคูทั้งบวยง่ายอะไรเข้าต้มมันก็อาหารอื่นๆโหให้กินยังอร่อยอร่อยขุนเขาเรียกว่าขุน นะขุนอย่างดีเลยนะพอเห็นแล้วเนี่ยอดใจไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทำงานหนักเหนื่อ ย, อยต้องแบกต้องขนเราได้กินแต่อะไรแกลบนะหรือว่าพวกหญ้าพวกอะไรพวกนี้ดูซิเขากินอาหารอย่างดีอธมาว่าลักษณะนี้คนเป็นกันเยอะนะไม่ใช่วัวเท่านั้นคนเป็นกันเยอะเลย กดไม่ได้จริงๆกดไม่ได้จริงๆบางทีพอเห็นนะ่ะความรู้สึกเรานะในที่ทํางานไหนก็แล้วแต่พอเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเราทำมากกว่าเขานะรู้สึกว่าเขาเนี่ยทำงานน้อยกับเราแต่พอเวลากินโอ้โหรู้สึกว่าเขาได้กินดีกับเราเนี่ยเอาละเริ่มละเริ่มคิดอย่างเงี้ยเหมือนกันเดะเลยอ่าแล้วก็แปลกด้วยนะว่าบางทีมันเข้ามาเร็วมากเลย ก็ไม่ใช่ว่าอยากจะคิดนักคิดหนาอะไรนะแต่มันทันทีเลยบางทีเนี่ยพอเห็นป๊อบมันเข้ามาปุ๊บเกิดความคิดอี้ขึ้นมาทันทีเลยสแสดงว่าอะไรสะแสดงว่ามันสั่งสมมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นโดยกิเลสของคนเราเนี่ยมันอิจฉาริษยานะโดยโดยกิเลสของคนเราทั่วทั่วไปธรรมดาธรรมดาที่สะสมมามันมีตัวเนี้ยอยู่ในจิตใจของคนเราเนี่ยเยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยไม่เรียนรู้จิตของตัวเองให้ไวนะพอมันขึ้นมาปาั๊บจับไม่ทันจับไม่ทันนี่นะสังเกตดูสิหลุดปากแล้วพูดออกมาแล้วจะพูดออกมาทันทีเลยเพียงแต่จะพูดลักษณะไหนเท่านั้นเองนะบางคนอะไรอะ่ะโป่งออกมาตรงๆก็พูดเลยบอกเนี่ยดูสิทำก็ไมทำไม่อย่งนีมากินนะนั่นนีเ่เอาใหญ่ลนะจะพูดตรงๆเลยไม่อ้อมค้อมม่อะไรเลย แต่ใครไอ้ น, นั่นหน่อยก็อ่พูดแบบแบบสุภาพหน่อยแต่ก็เป้าหมายเหมือนกันก็คือเนี่แหละก็จะว่าแหละมาทาไมอ่ะแมงานก็ไมทาทีพอถึงเวลามากินก็มากินอย่างนั้นอย่างงี้อะไรเนียิ่งบางคนเนี่ยทำงานมาช้าหน่อยใช่ไหมปรากฏว่าไอ้รถที่มันเข็นออกมาเหลือแต่ก้าวเปล่ามั้งเหลือแต่ อะไรออกมาบัางโอ้โหเอาอะไรคนนี้ยยิ่งอารมณ์บูดยิ่งอารมณ์เสียใหญ่เลยจนกระทั่งพวกเราหลายคนเนี่ยอยากจะแก้จิตแบบเนี้จิตที่มันลิษยาจิตที่มันเอ๊ะทาไมจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้พวกเราบางคนเนี่ยเขาตั้งตาบะเขาก็มานั่งท้ายแถวไงอ่าเขาตั้งตาบะเขามานั่งท้ายแถวขนาดมันตั้งตาบะแล้วนั่งท้ายแถวนี่นะโอ้โหคุณอย่าบอกใครนะ เอาบางทีเนี่ยยิ่งบางคนถ้าใครเนี่ยมานั่งแบบฤื้สีนะนั่งเสร็จแล้วก็ทำบัถาแบบฤื้สีก็หลับตาไม่อะไระเดี๋ยวรอให้มาถึงค่อยตัดอไอ้นี่ก็แล้วไปนะนี่แบบฤื้สีแต่บางคนเขาไม่หลับตาเนาะเขาก็ดูตั้งแต่หัวแถวแหละดูตั้งแต่สมณะเลยละดูตั้งแต่สมณะเนี่ยไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยนะโอ้ ริงแตแมบางทีเนี่ยเห็นเนีน่ยน่ท่านตักเยอะนะ <c oughs> นมีเชื่อเลยเ <c oughs> อออาถามจริงจริงมีเปล่เนี่ยเ <c oughs> อออาวาว่ามีบ้างมั้งเพียงแต่ว่ากลัวบาป <c oughs> ไม่กล้าไปคิดมากเท่านั้นเองเ <c oughs> ออบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะไปเพ่งโทษนะ <c oughs> แต่ว่ามันอดไม่ได้อะบางครั้งมันอดไม่ได้ดูที่ท่านจะตัก อะไรบ้างท่านจะตักเยอะหรือตักน้อยนั่นๆท่านหยิบขนมแล้วนะเ อ, อไม่ไวายไม่ไวายถ้าไม่เพ่งโทษก็ดีไปนะแต่บางคนนี่เพ่งโทษนะเนี่ยท่านบอกให้คนอื่นตั้งตบาบะไม่กินขนมอะ่ะท่านหยิบขนมดูที่นะอีอเอาละเริ่มละเริ่มละเสร็จแล้วปรากฏว่าขนมมันก็หมดก่อนมาถึงเราสิเองนะ เอาละสิข่าวเนี่ยโอ้โหถ้าใครเนี่ยจับจิตไม่ทันจับไอ้กิเลสพวกนี้ไม่ทันนี่มันทันทีเลยบางทีเนี่ยมันแค่สมถะบอกแล้วมันกดข่มเอาไ่้แต่ในใจจริงๆเราเราไม่ชอบใจเหมือนกับโคจูละโลหิตาเนี่ยแล้วเราจะไม่ชอบใจอย่างนั้นมันฝังนะบอกให้รู้มันฝังอยู่ในจิตเราเนี่ยแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าใครจับสภาวะอารมณ์ของจิตเนี่ยไม่อยู่ มันกิเลสมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันปรุงไปเรื่อยเลยนะคุณโอโ้เหตุผลต่างๆนานาเนี่ยมาอื้อซ่าเลยคันนี้ยมาเรื่อยมาเรื่อยเลยนะเหตุผลเยอะแยะมากมายที่จะตามมายิ่งอาตมาบอกแล้วถ้ายิ่งบางคนเนี่ยคอยดูตามด้วยนะคอยดูตามด้วยนะใครตักไม่ตักยังไงอาตมาว่าบนบนแป้นก็พอจะยกไว้อะ่นะแต่พอลงมาข้างล่างนั่นเนี่ยนะเอาละยิ่งโอ้โหพวกระดับ อะไรอ่ะถือว่าเสมอกันนะศินเสมอกันศินสามั ญ, ญาตานะสินเสมอกันเนี่ยเอาโหยิ่งใครหยิบมามากหน่อยเนี่ยเอาละเ ร, เริ่มเริ่มเละแล้วนะเนี่ยดูซิหยิบตั้งเยอะนะไม่คิดถึงคนอื่นคนหลังๆบ้างเลยนะก็จริงนะนก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องแต่มันอยู่ที่ใจอ่ะว่าใจเราตอ น, นเนี้ยเนี่ยมันมันขุ่นมัวมันไม่ชอบใจ แล้วบางทีมันแบบอาจจะเออเออเอ า, เอาละคิดในทางที่อะไรอะ่ะไม่ดีไม่ดีแล้วก็ได้วันนี้ต้องระวังนะพอจับให้ทันแล้วต้องรี บ, ต, รบต้องรีบรู้ตัวเราเลยรีบปรับรีบแก้แม้คนอื่นต่อให้เขาหยิบมากจริงๆด้วยแต่เราก็ไม่ควรที่จะไปเกิดจิตลักษณะอย่างนี้อาตมาบอกแล้วพูดบ่อยๆว่าจะเป็นสายโทรศัเนี่ย นะพอมันเกิดสภาพไม่ชอบใจอย่างนี้นะมันมันเตรียมไว้แล้วนะอเดี๋ยวเหอเดี๋ยวเหอะมีประชุมหรือว่ามีโอกาสเมื่อไรแล้วก็จะให้คุ้มรับจะให้คุ้มซับ เ, เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะตอนตอน ท, ที่ที่นั่งอยู่ในแถวนั่นแหละเตรียมไว้แล้วพ่อมปุงไปแล้วไงปรุงมาแล้วเตรียมจ้องเต็มที่แล้วแต่ถ้าเป็นสายกามเป็นสายกามบางทีมันก็ไม่ ไม่คิดจะไปอะไรอะเล่นงานอะไรเขาหรอกแต่มันอดน้อยใจไม่ได้บอกโอ้โหเนี่ยไม่คิดถึงท้ายแถวมั่งเลยอ่าดูสิหยิบแหม่ที่ยิ่งหยิบแค่ชิ้นสองชิ้นก็พอละหยิบไปเด้ถึงห้าชิ้นดูสิอะไรอย่างเนี้นะเนะีมันมันจะมาแบบมันน้อยใจแล้วยิ่งยิ่งคนที่หยิบไปมากๆากครับเป็นคนที่เราแบบบางที ติดกับเราเลยนะแหมหยิบก่อนหน้าเราเอยติดกับเราเลยเนี่ยนะโอ้โ ห, โ, หโหยิ่งแล้วไม่ใช่อะไรนะอะไรอะ่ะพอที่จะรู้ใจกันอยู่นะแม้แต่หยิบดักหน้าเราไปสักกอนนโอ้เะั้นบางทีเหมือนกับว่าน้อยใจบแบบแหมไม่รู้ใจกันบ้างเลยน่าจะเผื่อเราบ้างอะไรอย่างนี้นะยิ่งพอดีเลยนะหยิบไปแล้วก็หมดพอดีเลยนะโอ้โหยิคราวเนี้ จะได้วัดใจคุณอย่างมากเลยคือมันหมดตอนหน้าต่อตาเนี่ยแหมมาถึงเราพอดีนี่นะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวที่ให้เราเนี่ยตัวจิตตัวใจเราเป็นสำคัญเลยเราวางระวั ง, วงพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมารู้สึกว่าค่อนมายทางตัวน้อยใจน้อยใจซะส่วนใหญ่ถ้าน้อยใจมากๆานี่ไม่แน่นนะอ่าอาจจะโมโหหิวก็ได้นะน้อยใจมากๆากก็เนี่ย อ่าปรากฏว่าโคตัวน้องนี่นนก็เลยพูดง่ายอดไม่ไม่ไหวเลยต้องบอกกับโคผู้พี่โคมหาโลหิตะฟังแล้วก็เห็นใจน้องจึงทั้งกล่าวปลอบใจและกล่าวให้ปัญญาแก่โคจูละโลหิตะว่าเจ้าอย่าไปริษยาหมูหมูนิกะตัวนั้นเลยการที่มันได้กินมากๆจนอ้วนท้วน ได้กินอาหารดีๆมีรสอร่อยนั้นมันกำลังกืนกินความเดือดร้อนใส่ตัวเพราะในวันวิวาของเด็กหญิงนั้นเจ้าหมูอ้วนตัวนี้จะกลายเป็นแกงอ่อมสำหรับแขกเรือที่มาในงานแกงอ่อมมไีไงอะอาตมาก็ไม่เคยไปเปิดแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีไหมไม่เคยจะเปิดในโพจนานุ ก, กรมว่าในพจนานุ ก, กรมจะมีไหม อ๋อแกงออมอีสานอย่างหนึ่งเหรอแกงออมทางเหนืออีกอย่างนึงอ๋ออ๋ออ๋แต่ที่แน่ๆคือเขาเาเนื้อหมูมาทําแน่นอนใช่ไหมเนื้อวัวเหรอออมืองเนือหมูแล้วอีสานเนี่ยอ๋อมทุกอย่างเลยเหรออะไรกบเจี๊ยอ๋อมมน อมนี่มันแปลว่าอะไรเนี่ยแม่อยากรู้อ๋อใส่น้ำน้อยๆน้ําขุบ ค, คลิกอ๋ออ่าแต่ตอนนี้ปรากฏว่าโคผู้พี่ตัวนี้ก็บอกว่านี่ไม่ต้องไปลิษยาจ้หมูอ้วนดีหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวพอวันแต่งงานพูดง่าไงจ้หมูอ้วนเนี่ยจะกลายเป็นแก๊งอ่อมเท่ากับกําลังไปลิษยาอะไร ไปลิสยาอะไรเนี่ยมันเหมือนกับเศรษฐีสมมติว่าเศรษฐีเนี่ยนะไปลิสยาขอทานเนี่ยปลิสยาอะไรขอทานเนี่ย น, นี่สมมติแบบโลกโลกนะสมมติแบบโลกโลกก็ เ, เศรษฐีก็มีอะไรแต่มีอะไรแล้วไปไปลิสยาขอทานนี่ลิสยาเหมือนกับว่าโอ้โหดูขอทานอะไรอะ่ะมีจริงจริงมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแต่เรากับไปลิสยาว่าโอ้โห ขอทานนี่มันมันสบายจังนะมันน่าจะมีอะไรต่ออะไรได้ได้ดีได้ดีหรือว่าอะไรทุกอย่างมันก็ทำนองนั้นเนะี่ยคือถ้าคนที่ที่ตาอะไรอะ่ะไม่รู้จักมองตามความเป็นจริงมันก็ไปลิษณายอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> แต่ที่อาจมาพูดนี่พูดแบบโลกโลกอะ่ะเหมือนกับคนร่ำรวยไปลิษหายคนจนแต่ อันนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยเป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าเรามองสัจธรรมเรามองตามความเป็นจริงนะเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเองเราเรามองตามสัจจะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนร่ำรวยนะเป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์สินมีเงินทองมีอะไรมากมายเนี่ยกับคนจนที่ไม่มี ทรัพย์สินไม่มีเงินทองอะไรก็หมายถึงว่าเป็นคนจนธรมธรมดาๆเนี่ยที่จริงแล้วถ้ามองตามสัจจะนะ อ, อถ้าจะลิษยาเนี่อลิษยานี่มันเป็นคําพูดที่ใช้ในทางไม่ดีนะคือมันเหมือนกับเห็นคนอื่นเขาดีห้ามดีเหนือเรานะหรือดีกับเราไม่ได้เราไม่ชอบเราไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือความลิษยา แต่ถ้าโดยสัจจะคนรวยกับคนจนเนี่ยถ้าอย่างนักปฏิบัติธรรมน่าจะริษยาใครมากกว่าฮนะนี่มองตามสัจจานะมองตามสัจจะฮะเพราะอะไรอะ่ะทำไมไปริษยาคนจน่นะฮะคนบคนจนทำบาปน้อยกว่า ไม่มีห่วงเยอะอุ้ยคนจนก็ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองก็มีอ๋อไม่ต้องห่วงทรัพย์สมบัตินั่นะจริงๆถ้าโดยโดยสภาพจริงๆควรเป็นอย่างนั้นแตนะ่ว่าโอ้น่าจะได้เสียคนจนมากกว่าคือถ้าเราเอามาบวกลบอนะในชีวิตความเป็นอยู่จริงๆนะเรื่องความปลอดภัยเรื่องของชีวิตนะเรื่องของ อิสระเสรีภาพเรื่องของอะไรหลาย ๆ, ๆอย่างมาบวกลบกันจริงๆแล้วโอ้คนจนสบายกว่าสบายกว่าคนรวยคนรวยนี่จะทุกข์ยากลําบากอะไรมากกว่ากันเยอะเลยมุมที่ดีกว่ากันแค่มีทรัพย์สินเงินทองมากกว่ากันมุมเดียวเท่านั้นเองเพียงอย่างเดียวแต่นอกนั้นแล้วลําบากกว่าแม้มีเงินมากกว่าเนี่ยก็ยังไม่ปลอดภยัยด้วยซ้ำไปใช่ไหมเออแล้วก็ใครไปคบหาบางทีเราก็ยังโอ้ไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ไปเพื่อเห็นผลประโยชน์เพื่ออะไรหรือเปล่าแต่ใครมคาโคบคนจนนี่เราก็ค่อนข้างจะวางใจได้ดีกว่าซะอีกว่าอย่างน้อยก็คงค ง, คงไม่คิดมาเอาเงินทรัพย์สินอะไรจากเราอีกสักเท่าไหร่แร้วก็เราไม่ค่อยมีอยู่แล้วอะอืมเพราะฉะั้นถ้าโดยสัจจะเนี่ยน่าจะริษยาคนจนซะมากกว่าแต่โดยโลกโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขาก็ต้องริษยาคนรวยซะมากกว่า วันกนก็เลยมุ่งหวังอยากที่จะร่ํารวยนะอยากมีน่นมีนี่มีไอ้ไ น, ไ น, นั่นวันเนี่ยตอนเนี้ยจูละโลหิตะนะก็ก็คิดแบบทั่วๆวไปแต่นี้พี่ก็เลยพยายามสอนนะบอกว่าไม่ถูกหรอกเป็นลิษยาทําไมมันเหมือนกับไปลิษยาในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนจะบุ๋วอ้วนนี่กํลาลังเสพสุขสบายใช่ไหม แต่จริงๆมันกาลังจะเดือดร้อนต่างหากมันไม่ใช่เสพสุขสบายมันกาลังเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้รู้เนี่ยมองมองภาพเบื้องหน้านี่นะมองแล้วเนี่ยจะจะรู้ไปถึงว่าต่อไปเนี่ยผลที่ตามมาจะเป็นยังไงแต่คนที่ไม่เห็นสัจธรรมหรือว่าไม่รู้ความเป็นจริงเนี่ยไม่ไม่เป็นผู้รู้มองเนี่ยนะมันเห็นแต่ข้างหน้าแล้วก็โดนแต่ภาพข้างหน้าเนี่ยหลอกเอาไว้เท่านั้นเอง โดยไม่รู้ว่าว่าเนี่ยถ้าต่อไปน่าจะเป็นอะไรยังไงในภายภาคหน้าบ้างไม่เลยจะไม่รู้เรื่องเพราะนั้นก็เลยคนโลกโลกส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งไม่มีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นจะไม่เข้าใจอันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยจะเอาแต่เปลือกเปลือกพูดง่ายเขาไม่รู้ว่าเนื้อในจะเป็นยังไงอย่างอันเนี้ยโคผู้พี่เนี่ยรู้ว่าเนื้อในว่าถ้าปอกเปลือกได้ออกข้างในจะเป็นอะไรแต่ โคตัวน้องนี่มองเห็นแต่เปลือกข้างนอกไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไง mm hmm. สมมุติ ว, ว่าเห็นเปลือกข้างนอกโอ้โหสีสวยอย่างเลย mm hmm. ก็นึกว่าข้างในมันก็คงจะต้องสดสวยแน่นอนอแต่จริงๆแล้วปรากฏว่าอันนี้เนี่ยข้างนอกดูแล้วสวยงาม mm hmm. ใช่ไหมแต่ข้างในโอ้โหจะต้องตายเลยนะเนี่ยเ น, น่าเสียหมดแล้วถ้าข้างในเนี่ยเันอันเนี้ยโกผู้พี่นี่กําลังจะ แนะนำกําลังจะสอนน้องให้รู้ว่าว่าต้องมีตาทิพต้องมีตาที่สามารถแยกแยะมองออกแล้วก็มองรู้ว่าความจริงมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นตามภูมินะแต่ละคนเพราะบางทีเนี่ยที่เราเรายึดทิฐิของเราว่าเราว่าอย่างเงี้ยถูกตามภูมิของเราเนี่ยที่เรายึดว่าอย่างเงี้ยถูกก็คุณก็มองไปตาม ดวงตาที่คุณมีภูมิคุณก็ว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกตามเปิดนอกที่คุณเห็นแล้วก็ตามความลึกที่คุณจะเจาะไปได้ว่าภูมิคุณจะเจาะไปลึกได้แค่ไหนอันนี้แหละอันนี้คือประเด็นสําคัญว่าว่าใครเนี่ยจะมีภูมิจริงๆนะมะีการแยกแยะนะคุณงามความดีการแยกแยะถูกผิดเนี่ยได้ชัดเจนขนาดไหน ถ้าคุณเข้าใจอันนี้ได้ว่าหลังคุณจะเถียงกับคนน้อยลงถ้าคุณรู้ภูมิคนอื่นนะบา่บาว่าว่าว่าเออคนเนี้ยเท่าที่เราครบหากันมาอะไรกันมาเราเชื่อว่าคนนี้ภูมิภูมิสูงกว่าเรานะคุณจะยกให้หรือว่าคุณจะเชื่อมั่นในความคิดของคนนั้นมากกว่ามากกว่าเราอืม คุณจะไม่แบบมีอัตามาณทิฏฐิอะไรมากกับกับคนคนที่คุณยกให้ยกเว้นหน้ามืดยกเว้นหน้ามืดมันหน้าอินหน้าผมไม่เกียงอะ่ะคราวนี้เราก็เถียงเรียกว่าโอ้เอาชนะให้ได้อะแต่ถ้าบอกแล้วถ้าคุณยกให้จริงแล้วคุณเข้าใจจริงแล้วนะคุณไม่เถียงหรอก เหมือนกับที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังอาตมาเสียงดังกับพ่อท่านไปทีมันขึ้นไงพอมันขึ้นเราหลุดปั๊บเรารู้แล้วโอ้โหเราใช้ไม่ได้แล้วหยุดทันทีเพราะว่าเรายกให้อยู่แล้วว่าภูมิเราก็ไม่ถึงอยู่แล้วอแต่ว่าบอกแล้วมันหน้ามืดอ่ะอารมณ์มันขึ้นแล้วมันมันหลุดไปแล้วทําไงได้อะหลุดไปแล้วพอเรารู้ตัวแล้วก็ต้องรีบหยุดนะอรีบหยุดทันที ละอายแล้วตอนนั้นละอายแล้วบอกไม่ไหวแล้วเราหยุดเท่านี้ก็ปรับจิตปรับใจเรารูปเดียว อ, ะอ่ะนะถ้าถ้าใครพยา ย, ย, า, ยามฝึกสติแล้วรู้ตัวเองเนี่ยถึงหลุดออกไปนี่จะรู้ตัวทันทีเลยพอรู้เราจะรีบปรับแก้ของตัวเองทันทีเลยมันจะตัดออกไปเลยนะตอนนี้คนอื่นยังไงเนี่ยไม่สนละไม่สําคัญหรอกเพราะว่าจิตของเราเป็นสําคัญเป็นใหญ่ ม, มันไม่คิดแล้วคราวนี้จะเอาชนะฆาตการใครไม่คิดแล้วเพราะาจะต้องมารีบรักษาจิตของเราเอาไว้ก่อนนะสำหรับคนที่ฝึกจับจิตตัวเองมาเพราะว่าอันนี้สําคัญสําคัญกว่าอย่างอื่นเลยพอฝึกมาแล้วฝึกมาบ่อยๆจับจิตตัวเองบ่อยๆปรับตัวปรับจิตตัวเองมาบ่อยๆจะเป็นสภาวะเดียวกันจะไม่แตกต่างกันหรอกอาจจะนี้โคผู้พี่นี่นะ พอสอนไปเสร็จใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้พวกเขาจึงขุนมันไว้อย่างดีอีกสักสองสามวันเถิดเมื่อถึงวันงานเจ้าจะได้เห็นหมูมุนิกะตัวนี้ถูกจับเท้าลากดึงไปถูกเขาฆ่าชำแหละเอาเนื้อหนังไปทำเป็นข้าว ไ, ไปทาเป็นไอ้แกงออมมานะแจกให้คนกินไปทำเป็นกับข้าวแจกให้คนกิน เจ้าจงควรเป็นผู้ขนขวายน้อยในอาหารเถิดแม้ต้องกินแต่แกลแบบก็จงดีใจเพราะนี่เป็นลักษณะแห่งความเป็นผู้มีอายุยืนผม <c oughs> เนี่ยให้พอใจนะกินแกลบเนี่ยละดีแล้ว <c oughs> ถ้าภูมิมันไม่ถึงนี่นะมันกินแกลบไม่ลงจริงๆถ้าภูมิไม่ถึง